ข้อควรทราบทั่วไปเกี่ยวกับสัมมาทิฏฐิทิฏฐิหรือเขียนลดรูปเป็นทิฏฐิแปลว่าความเห็นหมายรวมถึงความเชื่อถือลัทธิทฤษฎีความเข้าใจตามนัยยะเหตุผลข้อที่เข้ากับความเข้าใจของตนหลักการที่เห็นสมข้อที่ถูกใจ ขอที่เชืิดชูเอาไว้ความฝ่ายนิยมหรือที่ปัจจุบันเรียกกันว่าค่านิยมรวมไปถึงอุดมการแนวทัศนะในการมองโลกและชีวิตที่เรียกกันว่าโล ก, กทัศน์และชีวทัศน์ต่างๆตลอดจนทัศนคติพื้นฐานที่สืบเนื่องจากความเห็นความเข้าใจและความฝ่ายนิยมเหล่านั้นในบาลีไวยพจน์ ที่มักมาด้วยกันกันกบทิฏฐิเป็นชุดได้แก่ทิฏฐิความเห็นขันติข้อที่เข้ากับความเข้าใจแล้วรูจ้จิข้อที่ถูกใจหรือฝ่ายนิยมถ้าจะจัดเข้าเป็นผู้พวกทิฏฐิก็คงมีสองระดับคือความเห็นความเข้าใจเกี่ยวกับคุณค่า ว, ว่าดีไม่ดี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 มีอิทธิพลครอบงำและมีบทบาทในการกําหนดวิถีชีวิตและสังคมของมนุษย์เป็นอย่างมากในกา ร, รมบทท่านจัดทิฐิเข้าเป็นมโนกรรมซึ่งเป็นกรรมที่สําคัญมีผลมากมายร้ายแรงที่สุดยิ่งกว่ากายกรรมและวจีกรรมเพราะเป็นตัวบรรดาลกายกรรมและวจีกรรมอยู่เบื้องหลังอีกชั้นหนึ่งสามารถนําชีวิตสังคมหรือมนุษยชาทั้งหมด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 ของประสบการณ์ที่รับรู้เข้ามาใหม่อย่างไรจะตีค่าและตัดสินวินิจฉัยว่าอย่างไรจะหันไปหาหรือเลือกรับสิ่งใดส่วนใดในแง่ใดจะเห็นด้วยหรือไม่จะอยู่ฝ่ายใดและชักนำแนวความคิดการพูดการกระทำที่จะสนองตอบโต้แสดงปฏิกิริยาออกไปว่าจะเอาอย่างไร พูดหรือทำอย่างไรกับบุคคลสิ่งสภาพแวดล้อมหรือสถานการณ์นั้นๆพร้อมทั้งสร้างเหตุผลประกอบสำหรับการที่จะพูดจะทำเช่นนั้นกล่าวสั้นๆด้วยศัพทธรรมะว่าทิฏฐิปรุงแต่งชาตินามองคธรรมต่างๆ ต, ตั้งแต่สังกัปปะคือความคิดหรือความดมริเป็นต้นไปให้เป็นมิจฉาหรือเป็นสัมมาตามทิฏฐินั้นๆ ในทางปฏิบัติความสำคัญของทิฐิมองเห็นได้ไม่ยากเช่นเมื่อคนชอบความมั่งมีเห็นว่าความร่างพร้อมทางวัตถุส่วนตัวเป็นจุดหมายของชีวิตเป็นเครื่องวัดความสาเร็จของบุคคลและเป็นเครื่องหมายแห่งความภาคภูมิใจเขาย่อมพยายามดิ้นรนขวนขวายเพื่อสแสวงหาความร่างพร้อมทางวัตถุนั้นไม่ว่าจะศึกษาเล่าเรียนหรือประกอบกิจการงานก็ทาเพื่อจุดหมายนี้ และเมื่อมองดูคนอื่นเขาก็จะวัดจะตีค่าจะให้เกียรติคนนั้นๆหรือไม่โดยถือเอาความมั่งคั่งร่างพร้อมเป็นเกณฑ์ยิ่งถ้าเขาขาดความฝ่ายสุจริตด้วยแล้วเขาก็จะสแสวงหาความมั่งคัง่งโดยไม่เลือกวิธีว่าเป็นโดยสุจริตชอบทำหรือไม่และจะมองเห็นคนประพฤติสุจริตที่ยากไร้ว่าเป็นคนขลาบคลือทื่อหรือไร้เกียรต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 คนไม่เข้าใจซึ้งถึงสภาวะของโลกและชีวิตที่เป็นสิ่งไม่เที่ยงแท้ถาวร อ, อยู่โดยธรรมดาเขาย่อมมีความยึดมั่นต่อชีวิตร่างกายทรัพย์สินและบุคคลแวดล้อมมากแล้วเกิดความวันไวหววันกลัวทําการและมีพฤติกรรมสะท้อนความทุกข์ซึ่งเป็นไปตามอำนาจของความยึดมั่นหวันไวหววาดกลัวนั้นดังนี้เป็นต้นส่วนในด้านดี ก็พึงทราบโดยนัยะตรงข้ามความเห็นที่ผิดเรียกว่ามิจฉาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องเรียกว่าสัมมาทิฏฐิได้กล่าวแล้วว่าปัจจัยให้เกิดมิจฉาทิฏฐิได้แก่ประตโตโคสะที่ไม่ดีไม่งามสภาพแวดล้อมทางสังคมที่ชั่วร้ายเฉพาะอย่างยิ่ง ปมิตรและอายุนิโสมณสิการคือการทำในใจโดยไม่แยบคายไม่รู้จักคิดคิดไม่เป็นคิดไม่ถูกวิธีส่วนปัจจัยของสมาธิถิได้แก่ประโตโคสะที่ดีงามการหล่อหลอมกล่อง ก, กล่าวในทางที่ถูกต้องจากสภาพแวดล้อมทางสังคมที่ดีเฉพาะอย่างยิ่งกนลยานมิตรหรือการเสวนาสัตบุรุษ และโยนิโสมนาิการคือการทำในใจโดยแยบคายรู้จักคิดคิดเป็นหรือคิดถูกวิธีในที่นี้จะพูดถึงแต่สมาธิเป็นหลักเอามิจฉาทิฐิเป็นเรื่องแทรก